ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อครู รัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จประพาสมาถึง หน้าเข้าพรรษาอยู่ที่วัดอื่นถ้าออกพรรษา นี่คือพระราชหัตถเลขาหัวแสงนี่เป็นเจ้าอาวาสวัด เพราะการคมนาคมเวลานั้นลำบากท่านรับนิมนต์โดยไม่ต้องให้สงฆ์พาหะนะ ก็เชื่อกันว่าท่านมีวิชายนต์แผ่นดินมี ขณะเนี่ยพระประธานทั้ง 2 ดวงก็หล่นลงมาที่พื้นด้านหน้าเป็นอัศจรรย์ผัวแสงเกิดความกลัวก็อธิษฐานว่าหากเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของ หัวแสงก็กราบขอเป็นกรรมสิทธิ์นำติด เริ่มวางฐานแล้วก็ก่ออิฐไปเรื่อยๆพอเสียง หัวแสงแกล้งทำเป็นตกใจต่างพากันวิ่งมาดูก็เห็นท่านลุกขึ้นมาปัดฝุ่นที่อยู่ตามตัวลิ่วตกลงมา เชื่อกันว่าด้วยอํานาจแห่งปรอดกายสิทธิ์ที่ครัวแสงได้ตอนที่ตกลงมาก็คงจะได้ที่บริเวณหน้า พอรุ่งเช้าผู้คนก็รู้สึกประหลาดใจที่ มีลูกศิษย์กลัวเอ่อหลวงปู่หลวงปู่เป็นคนขึงสายศีลหรือเปล่าอ่ะหลวงปู่กลัวแสงถูกถามซึ่งหน้า จำเม็ดได้ถึงรถจ้ะเสียงเหห่าจากคนฟัง เมื่อขนอิดลงเรือครบแล้วครูแสงก็ให้ออกเรือ 1 เมวันเนี่ย 7 โยมที่แจวเรือน่ะนอนพักซะก่อนเนี่ยฉันกับพระกเนนก็จะพักผ่อนอย่าได้กังวล หลับเพลินไปคนแจวเรือก็บอกว่าเอ๊ะนี่ถึงเองเหรอถึง คำตอบจากปากหัวแสงก็ดุจครับนั่นคือเรื่อง พูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็ทําให้นึกถึง ไปที่ไหนก็เที่ยวหาเสาะแสวงแต่ของกินบ้านไหนก็มีงานแกอ่าเพราะว่าเวลามีงาน บางชอบอยู่สบายสบายดีกว่ามีคนมาจ้างแกแกคนมันชอบกินบ่ายเบียงชอบอยู่สบายๆดี เพราะว่าใกล้ๆของกินเค้าไว้ก่อนไม่เสียหายมีแต่ๆก็ดี อ่าเคยได้ยินเสียงคนเค้าพูดกับแก่น่ะอ่าแล้ววันนั้นแก ทำมาหากินเก่งรับซื้อผืชผักรวยอ้อยเรื่องการค้าๆก็รู้ที่บ้านเค้ามีงานเนี่ยคนนี่ มาได้อยู่ชกมาอีกแล้วตับเนี่ยอายุสัก 60 เห็นจะได้จะฟันยังดีปากแบะกว้างน่าเกลียดอ่าคน พวกแม่ครัวกําลังนินทาเจ้าสาวอยู่ตรงนั้นตะผอมเลียบเคียงเข้าไปแอบได้ยินฉันว่ามันคง ตับผอมแกไม่สนใจเพราะไม่อ่ะแกมักจะโดนตับผอมตักคออ่าแม่เฒ่า ตาเมืองอายุ 80 กว่าก็บอกอ่ะก็บอกมึงจะกลัวไอ้ผอมมันไปถึงไหนฮะไอ้เมืองฮะเอเอ 60 เอ็ง 60 ทําไมไม่สู้มันอ่าแล้ว ความหลังเก่าๆที่ตาสับแปรเมืองนี่กลัวตะผอมมากเพราะ สะพระเมืองนี่มีลูกมีเมียมันหน้าแปลกไอ้ความกดดันที่แกได้รับจากตาผอม นึกว่าแกจะไม่มีเมียที่ไหนได้ไปได้แม่ม่ายผัวตายนะผู้หญิงคนที่ว่าเป็นแม่ม่ายเนี่ยเค้าลือกันว่าเป็นคนกินผัวไม่มีใครกล้าเอาทําเมียอ่ะ มรรคนายกก็เห็นว่าตะผอมนี่เบียดเบียนข้าวปลาอาหารที่วัดมากเกินไปก็เลยไล่ออกเล็กๆสมบัติของพ่อแมะตะผอมก็เลยไปๆเข้างานบ้านโน้นบ้านนี้ แน่นท้องอย่างกับพุงจะแตกหายใจไม่ค่อยอ่ามันจุกอยู่แถวๆยอดอกแหละเสร็จแล้ววันนั้นตาสัปปะเริ่ม หะอย่าแม้แกล้งเอ็งอ่ะแต่เอ็งต้องหาของชอบอกชอบใจปรากฏว่าวันธรรมดางานเวลาเค้า แกต้องอยู่กินกับเค้าทุกมื้อจนกระทั่งงานเลิกแต่ว่าอ่ะ แล้วก็ก็เดินไปที่กระต๊อบเก่าภูหลังดงไม้ไผ่ๆกับสะพานไม้ข้ามคลองน่ะซึ่งเอออนุโมทนาสาธุขอให้ คือครัวน่ะเป็นซี่ฟากผุๆรับน้ําหนักไม่ไหวเกิดพังหล่นลงมาสะใจเออ ตอนบ่ายๆเจ้าหน้าที่มาตรวจดูไม่มียาพิษอ่ะชาวบ้านก็พูดกันว่าตะผอม สัพระเมืองแกก็นึกในใจนี่มันเวรกรรมอะไรของกูหนอกู ตะกะตะรามชอบไปงานเลี้ยงจะได้กินเต็มคราบหูนี่ ตามธรรมดาแล้วแกไม่ค่อยดื่มมากนะคืนนี้แกคลุ้มอกคลุ้มใจไงไม่ ลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาใกล้ๆศพศพนอนอยู่บนเสื่อเก่างั้นน่ะมองศพอย่างเหยียดหยามเกลียดชังทีนี้มึงอ่ะหมดท่าแล้วสิมึงจะทําอะไรกูได้ฮะไอ้ผอมเป็ดโถเอ้ยไอ้ อยากจะเตะกูไม่ได้เอาสิอ่ะเคยบอกกูเนี่ยเจอกูจะเตะมาเลยให้มึงลุกเอาสิลุกขึ้นมาเลย ลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูจะกระทืบให้ลุกขึ้นมาให้ได้สัปเหร่อก็เตะถีบกระทืบสอบแข็งทือตะผอมจนเหนื่อยเออเดี๋ยวพ้นวันนี้ๆเอาเสื่อ เผาไฟเลยแก่เฝ้าศพอยู่คนเดียวปัวฉีก็เดินไปแอ่นปล่อยมันลงไปไม่ต้องลงจากศาลาอืมเดิน ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เคยคิดนอนไม่รู้เรื่องจะมีวันนี้ซึ่งเป็นวันน้องแก่บ้างแกนั่งมองศพนอนไม่รู้เรื่องเกิดแวบเออเออมันชอบกินนี่นะนะเดี๋ยวๆๆคงใจหิวแล้ว ฮึสะใจจริงให้สะใจจริงอร่อยมั้ยฮะอร่อยมั้ยชอบกินนี่กินได้ทุกอย่างอ่ะมึงเห็นนะฮะแล้วแกก็เดินไป หลายทีทีอ่าเราราว 01:00 น. ฝนตั้งเขาพายุโหมกระหน่ําต้นไม้ใหญ่ ทั้งศาลาตกอยู่ในความมืดมีแต่แสงว่ามีบางสิ่งบางอย่างขยับเคลื่อน สมภารบุญสงสัยทำไมสัปเรอเมืองเงียบไปน่าจะขึ้นมาบนกุฏิบางท่านก็เดินไปดูขึ้นนอนปรากฏว่าเลือดออกมาจาก แหกกันมาโจทขานเป็นเสียงเดียวกันนะเมื่อ ของสัปเหร่อเมืองด้วยแต่ว่าคําวินิจฉัยที่ออกมาก็คือสัปเหร่อเมือง ทางไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นตะกละด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นตายเป็นเหยื่อ บ่ายๆแดดก็ร้อนจ้ายะแต่พอศพลงจากศาลาลมก็พัดแรงเนี่ยฮะไม่ต้องไปสนใจอ่ะเอาศพเฮ้ย แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะอ่าได้จะขยับเคลื่อนแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเผาอ่า มีบางตัวมาหอนอยู่บางตัวมาหอนอยู่ข้างๆเมนนั่นแหละชาวครับคน อ่าคนไม่สงสารหรอกครับนะตายไปแล้วก็ไม่อยากจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นฐาน